ตอนตอบปัญหาสภาวธรรมวันที่16สิงหาคม2558กาบนมรรการพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีการยมิตรทุกคนนั่งสบายสบายเนาะเป็นปกติทุกวันอาทิตย์ก็มีคำถามอยู่ในมือละนะเมื่อกี้ก็มองกวาดไปดูว่ามีอารมณ์อะไรไหมที่มันใหม่ขึ้นมานะ ใครจะเป็นออกหน้าหนึ่งวันนี้เมื่อเช้านี้เราก็ได้มีความเปลี่ยนแปลงนะวันนั้นน้องดีจังถามพ่อครูว่ามนุษย์คนแรกเนี่ยคือใครเดยกอายุห้าขวบนะพ่อครูบอกเกิดมาจากการกายพันธุ์เมื่อเช้านี้ก็มีมนุษย์คนหนึ่งกายพันธุ์เปลี่ยนสีใช่ไม กายพันจากคนที่วิ่งไปตามโลกกลายเป็นไม่ชีนี่แหละมนุษย์เราเกิดจากการกายพันไม่ใช่มนุษย์ประสิทธทุกอย่างสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดเรากายพันตลอดเรากายพันจากเด็กทารกแล้วก็เป็นเด็กโตแล้วก็เป็นคนแก่แล้วก็เป็นคนตายแล้วก็กลายไปอยู่ในร่างสัตว์เจราานอสุลลกายหรือเปรตหรือเทวดา หรือเป็นมนุษย์สเปโตหรือเป็นมนุษย์ผู้เผยแผ่กันแล้วแต่ขบวนการทุกอย่างมันมันมันดำเนินไปเพราะมันกลายพันธุ์ทีนี้มันกลายพันธุ์ไปในทางที่เราเรียกว่าบวกหรือลบกุศลหรืออกุศลมันก็อยู่ที่โปรแกรมกรรมที่เราใส่เข้าไปข้างในไม่ใช่เรื่องกายภาพอย่างเดียวนะความกลายพันธุ์ของมันมันเป็นแล้วแต่เหตุปัจจัยมันปรุงแต่งขึ้น อนนี้มนุษย์ถ้าถามว่ามนุษย์คนแรกมาจากไหนก็เกิดมาจากการกลายพันธุ์ไม่ใช่มนุษย์ทุกสรรพสิ่งเกิดจากการกายพันธุ์แล้วตอนนี้มนุษย์คนหนึ่งก็กายพันธุ์เปลี่ยนสีแล้ววิ่งไปตามกระแสะโลภไปอยู่เมืองนอกเมืองนาไปแสวงหาความสุขนอกกายและอะไรที่ทําให้เราเปลี่ยนความคิดครอบครัวมาส่ง ก็บ well ังเอิญแฟนเขาก็เป็นคนมีอะไรล่ะมีกุศลและจิตแต่เขาก็ถามตามเหตุผลว่าอยู่ดีๆทำไมต้องมาทุกทนทรมานมาอยู่ที่นี่อะไรก็ไม่มีไม่สะดวกสบายนะเขาก็คุยกับพระครูพระครูก็พูดอะไรให้ฟังก็เห็นบอกคุณแม่ก็ยังเป็นห่วงแน่นอนแม่ก็รักลูก ทุกคนรักลูกแต่รักในนยะที่ท่านเคยชินว่าต้องอยู่สุขสบายมาอยู่ในป่าทําไมตอนนั้นหนีไปอยู่ออสเตรเลียก็ก็ห่วงบ้างแต่ก็ไม่ห่วงมากเพราะทุกคนก็ทำแบบนั้นก็อย่างน้อยก็มีอยู่มีกินมีไฟฟ้ามีแสงสีมีความสะดวกสบายแต่นี่มาอยู่ในป่าเนี่ยแน่นอนเขาเป็นห่วงเพราะครูก็เห็นจิตนะก็ช่วงสั้นๆมานั่งคุยกับพระครูพระครูก็พูดให้ฟัง อันนี้สงของการบวชเป็นยังไงอะไรอะไรเป็นยังไงพอท่านจะกลับเห็นไปบอกกับปุกว่าท่านไม่ห่วงละแสดงว่าตัดหางปล่อยวัดแล้วเนะเาะเมธีก็มีโอกาสละก็เดินต่อไปนะก็ครูจะไม่ลงรายละเอียดมากนี่ละ่ะเรากายพันุ์ทุกวันอยู่ที่ว่าเมธีจะกลายเป็นจากคนสมัยก่อนในคอคนในภาษาไทยเขาใช้หัวแตก คคนนะคอนอคนแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแต่ยุคไหนไม่รู้พวกครูไม่ได้ไปศึกษาว่าเขามีเหตุผลอะไรเขาเปลี่ยนเป็นคอควายกับนอหนูเนี่ยกลายเป็นลูกผสมละระหว่างควายกับหนูทีนี้อ่านว่าคนตรงนี้เนี่ยมันมีนัยยะอย่างอื่นมันแปลเป็นอย่างอื่นได้เลยคือคนคนคนนี้นมันเข้ากันเห็นไหม ที่พ่กครูบอกน้ำแก้วหนึ่งเอาใสายลงไปก็ไปอยู่ข้างล่างเอาน้ามันลงไปก็อยู่ข้างบนเอาเกลือลงไปยังอยู่ตรงกลางไอ้ลทัทธินิกายที่จะรวมโลกต้องการทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันมันคนใหญ่เลยมันใช้คอคนที่เป็นคอควายเนี่ยคนคุณไปหมดเลยทั้งโลกคุณไปหมดทั้งครอบครัวคุณไปทั้งหมดทุกองค์กรที่ไม่ระวังคนมันก็เลยกลายเป็นอย่างอื่นเห็นไหม ธรรมดาคนสมัยโบราณถ้าใช้คอคนหัวแตกนั่นคนคนนี้เนี่ยนัยยะก็คือมนุษย์คือคนแต่พอใช้คอควายปุ๊บมันมนัยยะว่ามันคนได้คนกวนให้มันขุน น, นี่คือมันมันเกิดจากการแปรรูปเกิดจากการกายพันธุ์นะแม้กระทั่งภาษาก็กลายพันธุ์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ภาษาหิตมากในเมืองไทยภาษาไทยกลายพันธุ์มีภาษาใหม่ขึ้นมาคือ เขาใช้คำว่าตักกะอะไรนะภาษามตักกะคือมันเพี้ยน่ะคือคือตักกะเพราะคูคิดไม่ออกแล้วมันพูดอะไรเนี่ยเป็นภาษาไทยใหม่นะไม่ใช่ตักกะกายพันนะตักกะไอ้ับตักกะวิบัติซึ่งมันเกิดมานานแล้ว หลายปีที่มาแแต่ทุกคนไม่เห็นชัดตอนนี้เขาเปล่งออนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้จริงๆตักกะก็ไปว่าเหตุผลนั่นแหละเราเรียนวิชาเหตุผลเราเรียนวิชาเหตุผลจบสูงสุดแล้วเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องเราเอาเอาเหตุผลอ้างเหตุผลต่างๆเข้าตามทิฏฐิมรณะของตัวเองเนี่เรียกว่าตักกะวิบัติธรรมดาต ก, กะต้องอยู่ในหลักการนะที่เรา เราตกลงกันไว้สพว่าตักกะในทางประชาธิปไตยหลักมันต้องเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเราต้องการเอาแพ้วชนะเราก็ก้างอ้างเหตุผลข้างๆคู่ๆเพื่อสนองทงของตัวเองนี่แล้ว่าตักกะวิบัติเห็นไหมภาษามันก็กลายพันธ์ตามเหตุปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงนะแต่เมื่อเช้านี้ที่ศูนย์เราเปลี่ยนแปลงในทางเป็นกุศล จากสีลายลายหลากสีนะกลายเป็นสีขาวที่บริสุทธิ์อันนี้ก็กลายพันธ์เห็นหมมันจะกลายไปในทางลบก็ได้คำว่าตักกะวิบัติก็คือว่ามันมันกลายพันธ์ไปในทางที่เสื่อมเห็นหแต่ที่เรามาเดินทางสายธรรมเนี่ยเราก็กลายพันธ์เรากลายเป็นจากคนโมโหล้ายมีความโลภโกรธหลงนะกลายเป็นคนมีเมตตาเราก็กลายพันธ์นะ ร่างกายเราเหมือนเก่าถ่ายรูปแล้วก็เหมือนคนเก่าไม่ได้เปลี่ยนสายตาใหม่ไม่ได้เปลี่ยนหูใหม่ไม่ได้เปลี่ยนสมองใหม่แต่ทำไมบางคนยังมีความคิดอยู่ทำไมความคิดเราเปลี่ยนนะเราก็กำลังกายพันทีนี้อะไรล่ะที่ทำให้บรรกายพันนะมันเกี่ยวกับ น, นามมาทำทั้งนั้นทฤษฎีต่างๆเกิดขึ้นจากความเชื่อความเชื่อเป็นนามมาทานะ ดีใจเสียใจก็เป็นนามมาทำสุขทุกข์ก็เป็นนามมาทำเห็นหมมันอยู่ที่ว่าเราใส่ข้อมูลแบบไหนเนี่ยเข้าไปเนี่ยเนี่ยมันก็ไปส่งเสริมให้เราเปลี่ยนนะเปลี่ยนแนวทางดำเงชีวิตเปลี่ยนความคิดนะเรากลายพันธุ์ทุกวันนะอยู่ที่ว่าเราจะกลายไปในทางที่เป็นกุศลหรืออกุศลนะก็เมื่อเช้านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีสาหรับพ่อคูนะ ส่วนใครจะยังไงก็เป็นเรื่องของนานาจิตตังเรื่องของท่านในทางโลกบอกว่าเป้าชีวิตมันไม่เหมือนกันเอออย่าไปเถียงกันถ้ า, ถ, าถ้าพูดถึงเรื่องเป้าชีวิตโอเคดักชอบอยังไงก็ใช้คาว่านานาจิตตังนี่มนนะนี่มนใช่ไหมมันเป็นเรื่องของสิทธินะทุกวันนี้ยิ่งชอบสิทธิเรียกร้องสิทธิกันจนลืมหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ ตอนนี้เราเกิดมาเป็นคนซึ่งมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีขันห้ามีสมองที่โตกว่าช้างนะเรามีโอกาสพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐก็คือผมวิาหารพรมวิาหารวิาหารคือที่อยู่ของมนุษย์ผู้ประเสริฐเรียกว่าผมวิาหารเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นอริยบุคคล แล้วก็กลายพันธุ์นะเรากลายพันธุ์จากคนนะจะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นภระริยะก็ได้เห็นไหมเป็นพระลาหน์นะเราก็กายพันธุ์ได้หรือเราจะกลายพันธุ์ไปเป็นโจรเป็นขโมยนะเป็นควายกับหนูผสมกันเห็นไหมมันกลายพันธุ์แล้วตอนนี้มันเอามักง่ายคนทุกวันนี้เอามักง่ายมันก็กลายพันธุนะ์ทุกอย่างกลายพันธุ์ทุกๆวินาทีกําลังกายพันธุ์ อยู่ที่ว่าข้าใครสำรวมระวังเราจะกลายพันธุ์ไปในทางที่เป็นกุศลถ้าเราไม่สำรวมระวังเนี่ยกิเลสมันจะทําให้เรากลายพันธุ์เป็นเปรตอสูตรลกายนะซึ่งอยู่ในร่างมนุษย์ก็เริ่มคําถามเลยนะขอความเมตตาพรอครูช่วยอธิบายเรื่องจิตกับกายค่ะทําไมเวลาที่เรานั่งปฏิบัติเรามีความรู้สึกว่าจะเคลื่อนไหวร่างกายเช่นขยับคอ หรือแขนร่างกายก็จะเคลื่อนไหวตามนันนั น, นไม่ทราบว่าเป็นการสั่งการของจิตหรือสมองคะถ้าสมองสั่งก็เป็นการเคลื่อนไหวตามสมองถ้าสมองไม่สั่งมันเป็นเองก็คือจิตเป็นคนสั่งให้มันทำนะแต่ทีนี้บางทีเราแยกไม่ออกนะแยกไม่ออกว่าเอ๊ะใครสั่งเขาบอกว่าสมองหรือจิตกระชั่ง ก็เรานั่นแหละมีใครในตัวเราเหรอือก็เรานั่นแหละเออเอาแยกอย่างนี้ถ้าสมองสั่งก็คือเราในระดับสมัมมถะเข้าใจไหมเราพิารณาสัมมัตหะขวานอไซ้ า, สายส้อนัาาน่าานแหะคือสมองสั่งก็เรานั่นแหละสมองก็คือสมองเราสั่งแต่ถ้าวิปัสนาเข้าไปในจิตเนี่ยแล้วมันดําเนินตามจิตสั่งอันนั้นเป็นระดับวิปัสนาจะจิตนั้นก็คือใครหระก็คือเรานั่นแหละ คำตอบก็คือว่าสมองกับจิตก็คือเรานั่นแหละเวลาที่เราเจ็บเท้าหรือบาดเจ็บที่ร่างกายแต่เรารู้สึกไปด้วยกับอาการที่เกิดขึ้นทางกายหรือเวทนาเพราะอะไรถึงรู้สึกเจ็บไปด้วยกับอาการนั้นๆทั้งที่เป็นอาการที่เกิดขึ้นที่ร่างกายก็นี่แหละที่เรายิ่งใหญ่เนาะเพราะเรามีกายนะเทวดา ทำไม่ได้เทวดาจ่ายหนี้กรรมจะความเจ็บปวดไม่ได้เพราะเทวดาไม่มีกายเทวดาเสพสุขอย่างเดียวจิตรู้สึกสุขก็มันติดกรรมดีตรงนั้นเห็น ไ, ไหมแต่ว่ามนุษย์เรามีกายโดยเฉพาะคำว่ากายเนี่มันประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ แต่ถ้ากายเฉยๆไม่มีวิญญาณเนี่ยไอความรู้สึกไม่มีอย่างคนนี้ตายใหม่ๆหัวใจไม่เต้นแล้วเห็นไหมตาก็ยังอยู่ทํามองไม่เห็นทำไมสมองอยังอยู่ทำไมคิดไม่เป็นทำไมตีไม่รู้สึกเจ็บไอตัวรู้สึกเป็นเรื่องวิญญาณซึ่งมีชีวิตถ้าต้องป ร, ป, รประกอบด้วยวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณมีชีวิตไม่ได้โดยเฉพาะสิ่งที่เราทำพ่อครูเคยเรียกว่า มันไม่ใช่ชื่อเรียกนะคำว่าเออเราปฏิบัติกำหนดอะไรนะบางคนกำหนดพุดโทโธลมหายใจเข้าออกนะกำหนดอริยบทยุบพองอะไรก็ได้อันนี้คืออริยบทบักนะแต่ไม่มีอะไรแม้แต่หนึ่งอย่างไม่เกี่ยวกับอายตนะเพราะครูพูดเรื่องอายตนะวิปัสสนากรรมฐานทีนี้มันมีการแย้งว่าอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นเรื่องของกายเนี่ยนะ มันเป็นเรื่องของกายมันไปนเกี่ยวกับจิตแน่นอนมันเกี่ยวกับอายตนะนี่ก่อนที่จะเข้าไปในจิตเนี่ยจิตมันต้องอาศัยอาจตนะเหล่านี้เนี่ยรับรู้ผัสสะรับรู้ผัสสะเทวดาไม่มีอิจตนะตรงนี้แล้วเนี่ยก็รับกระทบไม่ได้ไม่เกิดผัสสะข้างนอกคืออายตนะ เรามีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันนี้มีอยู่แล้วตามธรรมชาติดับมันไม่ได้นะสิ่งนี้มีอยู่แล้วเพราะเขาด่าเราประสาถูมีหน้าที่เหมือนเป็นเลดา้าดูดเสียงเข้ามาแต่มันไม่ได้ยินนะมันไม่ได้ยินไอ้ตัวได้ยินคือวิญญาณหูเรียกว่าโสตะวิญญาณนะเหมือนเรานอนหลับนี่แหละ มีคำถามสามสี่คำถามนี่ซ้อนๆกันอยู่โอเคบางทีก็ไล่ไล่เดียงกันไปนะเวลาเรานอนหลับอยู่เนี่ยทำไมเด็กร้องไห้บางทีเราไม่ได้ยินเห็นไหมไม่ได้ทําลายประสาทหูทิ้งเลยทําไมเราไม่ได้ยินมีคํานำถามว่าร่างกายหลับหรือจิตหลับนะร่างกายมันหลับไม่เป็นหรอกมันตื่นก็ไม่เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งนั่นแหะ ถ้าไม่มีคนขับไม่สตาร์ทเครื่องมันมันก็จอะอยู่ตรงนั้นแหละหูเราเหมือนกันมันก็เป็นมันเป็นกายภาพอย่างหนึ่งมันไม่รู้สึกแต่ไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์นะมันมีประสาทมันมีประสาทนะมันมีวิญญาณอยู่อยู่นั่นเพียงแต่เวลานั้นน่ะวิญญาณมันไม่ทำงานเราไม่ได้ยินแต่เวลานั้นเราเราเราตื่นอยู่ นะถึงเราจะนอนอยู่แต่เราตื่นอยู่เราก็ได้ยินเสียงแต่เราไม่รู้ว่าเสียงอะไรมันต้องส่งกระแสไปให้มโนวิญญาณเข้าไปในเว็บไซต์ตอนนั้นถ้าไอาจิตเราเนี่ยมันไม่รับกระแสเราก็สักแต่ว่าได้ยินเสียงเหมือนเด็กๆอายุสองขวบยังไม่เคยไปโรงเรียนนะเขาไม่รู้ว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งสีแดงวิ่งมาเขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร สีอะไรเขาก็ไม่รู้เขารู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งวิ่งมานะถ้าตอนนั้นเรากึ่งหลับกึ่งตื่นวิญญาณหูมันรับรู้มันได้ยินเสียงแต่มันไม่รู้ว่าเสียงอะไรมันก็ส่งไปให้มโนวิญญาณเข้าไปในเว็บไซต์เราถ้าตอนนั้นไอ้มโนวิญญาณเรามันตื่นมันรู้เลยว่าอ๋อเสียงนายแดงมันร้องเพราะเราบันทึกเป็นภาษาไทยว่านายแดงเราจําเสียงนายแดงได้ แต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาบันทึกสัญญาเป็นภาษาอังกฤษบอกเสียงมิสเตอร์เรดมิสเตอร์เรดไอตัวรู้ว่าเสียงอะไรเนี่ยมันต้องอยู่ข้างในนี่คือขระนวนการทำงานของวิญญาณหก <c oughs> มันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือขบวนนการบังเอิญว่าถ้าวิญญาณมันไม่มีกายมันก็รับภาษาไม่ได้คำว่าภาษาคือการกระทบ เหมือนเราเฟียงฟุตบอลเนี่ยเข้าไปข้างฝาเนี่ยไอไอเทนนิสก็ได้ไดไมมันก็ทบฝาปุ๊บมันก็อิมแพคมันก็เด้งออกมาอันนี้เรียกว่าผัดสะอันนี้คือขบวนการของร่างกายเนี่ยเรามีเรามีามามอายานาภายในคือตาหูจมูกลิน้นกายใจมีหกอย่างหกช่องประตูนะ 5้าช่องข้างนอกนี่คือตาหูจมกูกลิ้นกายเนี่เป็นตัวรับผัสสะข้างนอกใจนี่เป็นตัวรับอารมณ์เป็นโกดังเก็บอารมณ์และกิเลสมันเกาะอยู่ตรงนี้แหละเราทำตามใจเราตลอดนะอันนี้คือพ ก, กูคือคาถามใกล้ๆเคียงกันมากที่เรารู้สึกเจ็บเนี่ยวิญญาณที่กายเนี่ยมันรับผัสสะมันรู้ แต่มันรู้เฉยๆถ้าเป็นทาสา a มันไม่รู้ว่ามันเจ็บเพราะมันไม่รู้ภาษาว่านี่ก็เรียกว่าเจ็บแต่มันรู้สึกว่ามีอะไรกระทบมันยกตัวอย่างเพื่อนสนิทเราเนี่ยสนิทกันมากเลยเขาตีเราแรงมากแล้วเราตกใจด้วยเขามาตียังหลังเนี่ยเราหันไปเห็นเพื่อนเราป๊บเนี่ยเราไม่รู้สึกเจ็บเราบอกเออเล่นแรงนะ เราดีใจด้วยเพื่อนมันเล่นกับเราแต่ถ้าไอ้คู่อลิเราเห็นหน้ามันก็วีนละมันพูดเฉียดถูเฉยเฉยเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้ตีเราเลยนะกระทบผูเฉยเฉยดีเจ็บมากเลยเจ็บภาษาไทยเนี่ยเราเข้าใจไปในรูปว่าเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องไม่ดีทาสานมันไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกว่าเจ็บแต่ไม่ใช่มันไม่รู้สึกนะ มีอะไรชนมันมันรู้แต่มันไม่เรียกว่าเจ็บแต่ภาษาบอกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ็บและฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบเจ็บกายเฉยๆไม่พอเจ็บใจด้วยอันนี้เจ็บกายนี่สิบเปอร์เซ็นมันมาเจ็บใจนี่อีกเก้าสิบร้อยเอร์เซ็นตเจ็บตัว น, นี้เจ็บมากๆเจ็บจนฆ่าคนก็ได้เห็นไหมเขาไม่ได้ตีเราเลยกายเราไม่ได้สัมผัสเลยเนี่ย มันด่าเราเนี่ยนี่กูยินเลยเอาปืนยิงมันฆ่ามันนี่เลยเรียกว่าเจ็บใจมันกระทบที่ใจเห็นหบางเอิญเรารู้ภาษาว่าคำว่าเจ็บเนี่ยไม่ดีแต่พวกสาดิสที่เขาเป็นโรคจิตยอย่างหนึ่งนะยิ่งตียิ่งเคียนนี่เขามันมากเขาไม่เรียกว่าเจ็บนะเขาเรียกว่ามันชอบมากมีความสุขมันอยู่ที่เราบันทึกสัญญาไว้ยอย่างไรเนี่ยมันก็เกิดอุปท า, านอย่างนั้น พราครูเคยบอกบ่อยๆว่า เ, ออเราโดนพึ่งต่อยตรงนี้วมันเจ็บวิ่งไปจะไปทายาหม่องเหยียบตะปูทะลุขาเนี่ยมาเจ็บตรงนี้ไอ้ตัวนี้หายไปไหนหายกำลังเจ็บเจ็บอยู่ก็เต้นขาเดียวไปเนี่ยนะเห็นลูกตกบันไดบ้านหัวแตกไอ้ตัวนี้ก็หายแล้วไปเจ็บที่หัวลูกแล้วมาเจ็บที่ใจตัวเอง mm. ความเจ็บปวดนี่อยู่ที่เราให้นัยยะมันแล้วก็ถ้าให้นายาัยยะในทางที่ติดลบ ฝ่ายไม่ดีเราก็รู้สึกเจ็บแล้วก็ปวดด้วยแล้วก็ทุกทรมานกับสิ่งนั้นแต่ถ้าคนที่เขาเป็นโลกจิตเขาฝึกว่าเขาต้องการที่เราเรียกว่าเจ็บปวดนี่แหละเขารู้สึกซาใจเขารู้สึกมีความสุขไอ้เจ็บนั้นทําให้เขาความมีความสุขได้เห็นไหมอยู่ที่ว่าเราจะบันทึกสัญญาความรู้ว่ายอย่างไรเช่นเดียวกับบางขณะที่จิต มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นเศร้าใจเสียใจท้อแท้ผิดหวังหรือดีใจตื่นเต้นหรืออาการกลัวกายภาพก็จะรับผลจากความรู้สึกต่างที่เกิดไปด้วยเช่นท้อแท้ผิดหวังก็จะทำให้ร่างกายซุดโทมลงกลัวมากๆจนตัวสั่นหัวโกรน โกรธโมโหมากๆจนมือสั่นใจสั่นนี่แหละนี่คือคําว่านามมาทําเราความรู้สึกของจิตนี่ส่งผลตั้งกายภาพที่เราสั่นเนี่ยเห็ น, น, นร่างกายมันสั่นถามว่าร่างกายมันสั่นจริงๆเหรออาการมันสัน่นมันเกิดจากความรู้สึกของจิตนะ่ยมันทําให้ร่างกายมันสัน่นไอ้ที่จิตเรารู้สึกนะ่ยมันเป็นเรื่องของวิญญาณ ร, รู้สึกนะอย่างคนตายใหม่ๆไม่รู้สึกนะร่างกายก็ยังอยู่เห็นไหมกายยังอยู่ ยังไม่เน่าเลยทำไมมันไม่รู้สึกเพราะครูถึงบอกว่าทุกอย่างจบอยู่ที่จิตทุกอย่างจบอยู่ที่จิตนะถ้าจิตเรามันวางสังขารแล้วถึงแม้เราตัดแขนเนี่ยไม่ใช่รู้ไม่รู้สึกนะเจ็บกายวิญญาณมันเจ็บมันอยู่ที่กายมันรู้สึกเจ็บคำว่าเจ็บเน่นะนะเออมันรู้สึกเจ็บแต่ถ้าจิต่ะไปเจ็บกับมันก็เจ็บแค่สิบเอร์เซตเราก็ไม่เป็นทุกข์กับมัน แต่ตอนนี้จิตเราเนี่ยมันไปยึดมั่นถือมั่นกับกายภาพมันไปหลงขันห้าที่เราฝึกจิตเนี่ยจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมมันหลุดพ้นไปไหนมันหนีไปไหนเน่นะมันไม่ได้หนีไปไหนนะมันหลุดพ้นออกจากความเป็นธาตุของขันห้าโดยเฉพาะไอ้ใจเนี่ยมันอิสระจากใจเจ็บใจก็อยู่ที่ใจทุกใจก็อยู่ที่ใจตกใจก็อยู่ที่ใจ กลัวใครกลัวก็ใจมันกลัวใจที่มันรู้สึกกลัวมันมีมโนวิญญาณอยู่ที่ใจลําพังไอ้ก้อนเนื้อหัวก้อนก้อนเนื้อซึ่งเรียกว่าหัวใจตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีวิญญาณมันก็ไม่เต้นด้วยนะมันไม่ปั๊มเลือดหล่อเลี้ยงร่างกายด้วยนะไอ้ตัวรู้สึกนั่นมันเป็นตัวมโนวิญญาณที่มันเกาะอยู่ที่ใจมันอาศัยใจเนี่เป็นตัวรับรู้อารมณ์มันอาศัยหูนี่รับรู้เสียงมันอาศัยตานี่รับรู้รูปมันอาศัยจมูกนี่รับรู้กลิ่น มันอาศัยลิ้นนี่รับรู้รสมันอาศัยกายภาพเนี่ยทุกเซลล์ทุกอนุเรามีกายวิญญาณอยู่ไอ้วิญญาณเหล่านี้เนี่ยมันเป็นพลังงานของจิตมันเป็นเครื่องมือของจิตที่มารับรู้ภาษาแต่ถ้าจิตเนี่ยมันถูกกิเลสครอบงำแล้วเนี่ยนะมันจะตัดสินใจตามความรู้ที่มัดบันทึกไว้มันบันทึกไว้ว่ามันไม่ชอบถูกด่าเพราะมันถูกด่าปุ๊บมันจะรู้สึกโกรธเห็นไหม นี่แหละเขาเรียกว่าอาวิชชาแล้วใส่ความรู้ผิดเข้าไปเนี่ยกลายเป็นอวิชชาทั้งนั้นน่ะไอ้ตัวนี้น่ะคือทําให้เราเกิดทุกข์เกิดมีความอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังอยากชนะนะความอยากเหล่านี้เกิดจากเราเรียนรู้บังเอิญยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่รู้ยิ่งเรียนก็ยิ่งคุยก็ไม่รู้เรื่องนะยิ่งเรียนก็ยิ่งทุกข์ เพราะแสดงว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นมันเป็นความรู้ผิดมันทําให้เราทุกข์ทำให้เราโง่ทําให้เราเจ็บใช่ไหมอาการที่มันกระทบเฉยๆเรียกว่าผัสสะมันไม่ได้เรียกว่าเจ็บนะไอ้ที่รู้สึกเจ็บไม่เจ็บมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละมันไม่ชอบมันก็บอกเจ็บใจมันไม่ได้แปลว่าเจ็บมันแปลว่าผัสสะใช่ไหม้าสานมันไม่รู้จะคาว่าเจ็บนะ มันไม่รู้มันไม่ได้เรียนภาษาแต่ไม่ใช่มันไม่รับรู้ภาษามันรับรู้ภาษาแต่มันไม่ต้องบอกว่ามันไม่ต้องตัดสินว่ามันเจ็บเพราะมันไม่รู้คำว่าเจ็บคืออะไรแต่ตอนนี้เรารู้คำว่าเจ็บไม่ดีไงไม่ดีแต่บางครั้งเนี่ยเราก็กลัวตายเนาะเขาก็จับไปฉีดวัคซีนแล้วก็ยอมไม่เขาเอาเข็มแทงเลยยอมเจ็บนะแล้วทาไมนี่ยอมนะถ้าจะเจ็บก็ยอมไง เพราะความกลัวกลัวเจ็บกับกลัวตายกลัวตายมันมากกว่ามันก็เลยยอมยอมให้มันเจ็บเห็นไหมแล้วเรารู้แล้วว่าเราลากักลักมันดี ด, ดีพออกหักปุ๊บมันก็เจ็บแต่ฉันก็ยังยังรักอยู่เห็นไหมรู้ว่าถ้าอกหักใช่ไหมเจ็บไหมเจ็บแต่แกล้งลืมมันก่อนเพราะเอารักก่อนเพราะตัวอยากรักมันมากกว่าตอนนี้เนะนี่ยบางทีรู้ทั้งรู้ สมองรู้แต่จิตไม่รู้จิตมันถูกกิเลสครอบงำแล้วมันอยากจะลักไงช่างมันไปตายเอาดาบหน้านนี่คือความรู้ผิดเวลาที่เราทำงานหนักๆร่างกายเหนื่อยเพียมากกายอ่อนล้าเราหลับไปทำไมเราถึงไม่รู้สึก ไม่ได้ยินสิ่งต่างๆภายนอกอยากทราบว่าร่างกายหลับหรือว่าจิตหลับคะหรือเป็นเพราะว่าร่างกายเหนื่อยหรือจิตเหนื่อยคะบอกแล้วว่าร่างกายเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกร่างกายไม่มีความรู้สึกนะไอความรู้สึกมันเกิดจากจิตที่ว่าเหนื่อยที่ใจนั่น ไอ้คำว่าใจนี่ไม่ใช่หัวใจอย่างเดียวนะไอ้ตัวรู้สึกที่มันเหนื่อยนะ่มันตัววิญญาณที่ใจมโนวิญญาณนะไอ้ความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะจิตจิตไม่เกิดไม่ดับแต่ที่นี้พลังงานของเขาเนี่ยนะเครื่องมือของเขาคือมีวิญญาณหวิญญาณตัวนี้มาอยู่ที่ตาเขาเรียกว่าจักษุวิญญาณ อาศัยตาเป็นตัวมองเห็นรูปวิญญาณที่อยู่ที่หูเรียกว่าโสตะวิญญาณอาศัยประสาทหูใบหูเนี่ยนะเป็นตัวรับรู้เสียงนะรู้ปุ๊บก็ส่งไปให้มโนวิญญาณเข้าไปในกล่องบันทึกสัญญาเรานี่คือกระบวนการทำงานของร่างกายมนุษย์นะพวกคูถึงบอกจบอยู่ที่จิตเมื่อวานนี้วันอาทิตย์วันเสาร์ววันนี้วันอาทิตย์ เมื่อวานนี้พ่อครูพาเด็กๆมัธยมไปหลายแห่งไปปีนเขาแก้วก็ห่วงพ่อครูไม่ต้องลงไปไจะไปเล่นจะไปเล่นน้าอะไรๆพกก่อครูก็ก็ห่วงเด็กนั่นแหละพ่อครูก็ไต่ลงไปกับเขาเวลาลงไปไม่เป็นไรเวลาขึ้นมาแล้วรั่วา ม, มาต้องใช้กำลังหน่อยนึง ทีนี้พ่อครูก็บอกแก่ว่าเดี๋ยวดูคืนหนึง่งดูวันนี้วันอาทิตย์เป็นยังไงตอนที่เข่าพ่อครูไม่ดีนั่นแหละเหมือนพ่อครูเดินขาเดียวแล้วเนี่ยมันมันไม่สมดุลร่างกายมันแสดงอาการแต่ความรู้สึกเหนื่อยพ่อครูไม่มีไม่มีแต่ร่างกายเราใช้มันมันต้องมีปรกิยาแต่มาถึงเช้านี้แล้วเนี่ยปุ๊กยังได้ยินข่าวว่าเออให้คุณนีก็อยู่แกนวดไหมอะไรบอกไม่ต้องมันไม่มีปรกิยาอะไรเห็นไหม แต่ความรู้สึกเหนื่อยเราไม่มีอยู่แล้วเปแต่ว่าร่างกายเราก็ใช้มันเรานในอายุหกสิบหกเนาะพวกกูเห็นสาวๆเดินขึ้นมาอ๋ อ, อ, อมันยังจะตายเราก็มองเอ๊เด็กพวกนี้แค่นี้เองนั่น น, นคือคือถ้าเราใช้ใจเดินมันจะเหนื่อยมันเหนื่อยที่ใจยังไงแต่ใจนั้นไม่ได้หมายถึงก้อนเนื้อตรงนั้นนะมันมีวิมโนวิญญาณด้วยไอ้ตัวนั่นเป็นตัวรับรู้อารมณ์ถ้าเราแยกจิตแยกใจได้แล้วเนี่ย จิตมันทํางานแต่ยังไงก็ช่างร่างกายเหมือนรถยนต์มันแก่แล้วเนี่ยนะเราก็ต้องใช้มันอย่างระวังเหมือนกันนะเรื่องเรื่องเหนื่อยมันไม่มีเรื่องกลัวมันจะมีได้อย่างไรนะมันก็ไม่มีเอาเป็นว่าทุกอย่างจบอยู่ที่จิตในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้กายกับจิตจะมีอาการและอารมณ์ที่ส่งผลและสัมพันธ์ ถึงกันตลอดเวลาแต่ถ้าถึงเวลาที่หมดเวลาของกายนี้ทำไมจิตไม่สามารถสั่งการกับร่างกายได้อีกต่อไปตัวเชื่อมต่อระหว่างจิตกับกายเนี่ยมันวางเลยไอ้วิญญาณมันกลับสู่จิตหมดมันไม่มีตัวเชื่อมแล้วนะแต่บางคนตายแล้วเจ็ดวันทำไมฟืน้นมีนะมีนะ ที่ว่าช่วงที่จิตเขาออกจากร่างแล้วไม่ต้องตายหรอกบางทีถ้าเราถอดกายทิพเป็นเนี่ยนะบางทีจับหัวใจไม่เต้นเลยนะบางทีมันหายใจทางผิวหนังนะนะวิญญาณมันยังอยู่แต่กายทิพนั้นก็คือจิตเราออกจากร่างนะแล้วเราจะรู้ว่าเราเป็นใครเราไม่ใช่ร่างกายนี้ บางคนน้อยมันจิตมันออกจากใจได้ยังไงพราะคูว่าจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นทำจิตหลุดออกมาจากใจหลุดได้ยังไงมันก็ตายสิเขาไม่รู้ว่าจิตก็คือจิตวิญญาณก็คือวิญญาณคนเราส่วนกันนะเราเรียกว่าจิตวิญญาณอย่าว่าแต่จิตวิญญาณเลยจิตวิญญาณกายแยกไม่ออกเลยอย่างคําว่าหูเนี่ยถ้ามีใบหูประสาทหูติ่งหูเท่านั้นเองเนี่ยความได้ยินไม่เก <được never. S 1> ิดขึ้น มันก็มีวิญญาณหูแทรกอยู่ในนั้นอยู่ด้วยกันเลยแยกไม่ออกเราเรียกว่าหูมันล่งรวมด้วยวิญญาณด้วยชีวิตเราทั้งร่างกายทั้งหมดเนี่ยคำว่าเราตายเราสิ้นหัวใจมันไม่เต้นแล้วแน่นอนขอบวนการทำงานของกายภาพเรื่องเลือดดมเลือดมันก็ไม่ไม่วิ่งไม่เดยงร่างกายใช่มแล้วก็วิญญาณเนี่ยมันวางกายภาพหมดห น, นะนะระวง ตัวเชื่อมต่อระหว่างจิตกับกายนั้นมันตัดกระแสหมดคำตอบคือว่ามันสั่งไม่ได้มีหลายคำถามนะไ ม, ม, ม่มีเยอะมากเนาะออ น, นี้คำถามมาจากทางไกลเนาะที่ว่าเจริญมรรคนอกมรรคในมรรคนอก คือทานศีลภาวนามรรคในคือมรรคจิตที่พวกเรากำลังดำเนินอยู่คำถามคือภาวนาในมรรคนอกนี้คืออะไรใช่อริยบทยืนเดินนั่งนอนที่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นใช่หรือไม่คะช่วยอธิบายด้วยค่ะมรรคในมรรคนอก บวกกับมักมากมักรู้มากนี่แหละเราชอบเอาภาษามานั่งโจทย์กันแล้วคุยกันว่าอะไรคือมักนอกมักในเหมือนเขาบอกว่านี่ทานคืออัตตาน้าตานั่นแหละนี่คือนักวิชาการอยากรู้นีน่คือมักมากด้วยคือที่พ่อคูบอกมักภายนอกเนี่ยทานศีลภาวนาก็คือว่ามันต้องมีการกระทําเกิดขึ้นเราเป็นคนชี้เหนียวเราให้ทานไม่ได้ ใช่ไหมเราต้องให้เขาเรียกว่า outside in พฤติกรรมเราข้างนอกเนี่ยเพื่อเปลี่ยนข้างในเพื่อเปลี่ยนข้างในนะคือเรามีแต่จะเอาเอาแล้วก็ดีใจไงให้ให้ไม่ได้แล้วก็อุ้มไอ้ความโลภความตนหนีเราอยู่ตรงนั้นนะจิตมันก็เปื้อนนี่มักภายนอกก็คือว่าต้องฝืนกิเลสเรามันไม่ให้ฉันให้ เห็นฉันโกรธมันฉันให้อภัยแล้วก็ทำลายตัวอัตตาตัวตนเราตัวทิฏฐิมรณนะตัวพยาบาทแล้วก็ตัวเนี่ยนี่คือมรรคภายนอกคือแล้วศีลภายนอกศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลปฏิโมกนั่นแหละศีลวินัยที่เขาตั้งกติกาขึ้นมาเพื่อเพื่อเตือนสติเรานะแล้วอย่ากโกหกเขานะเราก็เอาศีลเนี่ยมาบังคับเราว่าไม่โกหก นะคือฝืนตัวเองเนี่ยคือพฤติกรรมเราข้างนอกก็เปลี่ยนข้างในเราฝืนมันบ่อยๆเราก็เปลี่ยนอุปนิสัยเราได้แต่ถ้าเราไม่ฝืเนเราทำตามกิเลสเราเนี่ยอยากได้ก็โกหกนะอยากได้ก็ขโมยทำตามตลอดเนี่ยอันนี้เราไม่เจริญมรรคข้างนอกคือข้างนอกก็คือพฤติกรมกกกกรมข้างนอกตอบกว้างๆก็แล้วกันนะพฤติกรรมข้างนอกเนาะส่วนเจริญภาวนาข้างนอกเนี่ย เพราะกูวแยกเป็นเป็นระดับสัมมาถาก็แล้วกันนะคือว่าเราอยู่ปัจจุบันตลอดมีสติอยู่การดําเนินนะทำอะไรก็รู้ไ ม, ไม่ไม่กระทั่งยืนเดินนั่งนอนก็รู้วิ่งก็รู้เต้นก็รู้ขับรถก็รู้อะไรพวกนี้เนี่ยแม้กระทั่งการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยก็เรียกว่าเจริญภาวนาอย่างหนึ่งเป็นแต่เป็นระดับสัมมาถากรรมาฐานคือให้จิตเราจดจ่อเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราดําเนิน อันนี้คือเอาไซอินทุกขบวนการที่เราจเจริญมรรคข้างนอกเนี่ยคือพยายามฝืนกิเลสเราก็เปลี่ยนข้างในไม่ใช่สนองกิเลสนะส่วนถ้าเราเข้าไปมรรคจิตเราเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยเรียกว่ามรรคจิตอันนี้มรรคภายในเป็นเรื่องจิตล้วนๆศีลที่อยู่ในจิตนั้นเป็นศีลปกตินะ ถ้าเราเริ่มจนสักสมาธิสมาธิสงบนิ่งเป็นปกติแล้วอารมณ์ศิลก็เกิดขึ้นพร้อมที่จะเจริญปัญญาอันนี้คือระดับขั้นวิปัสสนาแต่ขั้นตอนนี้เนี่ยเครื่องมือที่จะเข้าไปตรงนั้นพระเจ้าก็ชี้ทางให้เราก็คือใช้เครื่องมือคือมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานส่วนระดับสัมมากรรมฐานอะไรเนี่ยใช้สติเรายืนเดินนั่นนอนเราทํางานต้องมีสติอันนี้เรียกว่าอนุสติแต่ แต่อุสตินี้เนี่ยมันมีสองขั้นตอนนะขั้นตอนหนึ่งคือใช้สติตรงนี้ดำเนินชีวิตเป็นมรคภายนอกแต่เวลาเราจเจริญสติเนี่ยมันเป็นการจเจริญสมถมะกับฐานเป็นการฝึกสติอยู่เป็นการฝึกสติเป็นขั้นตอนฝึกแต่ขั้นตอนเดินทางจริงๆมรคภายนอกก็คือใช้มันเป็นสติสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมใช้สติที่เรามีอยู่ดาเนิน ตลอด24ชั่วโมงอันนี้คือมัคภายนอกจะมีคำถามต่อไปซึ่งมันเชื่อมโยงนี่นะก็สภาวะออโตเมติกคือสภาวะโพชงใช่หรือไม่ช่วยอธิบายด้วยค่ะการที่ว่าเมื่อเราเข้าไปในจิตได้แล้วเท่ากับเราอยู่ในมัคในทางแล้วหมายความว่าเราอยู่ขั้นต่ำจุดในกระแสมัค ระดับโสดาปฏิบัติใช่หรือไม่ช่วยอธิบายค่ะเท่ากับทุกคนที่เข้าจิตได้จะเหลืออีกเจ็ดชาติเป็นอย่างมากใช่หรือไม่ <c oughs> อันนี้อยากรู้เป็นขั้นเป็นตอนนะอันนี้ก็พูดแต่เรื่องมากๆกเนาะก็ไม่เป็นไรคำว่าโพชงเนี่ย เ, เราจะแปลว่าเป็นออโตเมติกถ้าเราเข้าใจออโตเมติกว่า อยู่เฉยๆก็เกิดขึ้นเองมันก็ไม่ใช่โพดชงอะนะคือเราต้องเข้าไปในจิตในจิตแล้วมันดําเนินเองตามที่จิตดําเนินเองนะแต่เราเรียกว่าแบบนั้นเป็นเรียกว่าอัตโมติก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าเหมาวรวมว่าโพดชงก็คืออโตเมติอย่างนี้เครื่องอโตโมัติอัตโนมัติจางๆก็เป็นโพดชงคือเนี่ยภาษาเราต้องระวังนะถ้าเราบอกว่าใช่ปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาตัวนี้ไปนั่งในไอ้ที่ ที่เขาพูดเนี่ยอยากจะหาคำตอบเพื่อจะไปถกกับเพื่อนเขาเพราะเพื่อนเขาเพื่อนเขาแยงแ้งพยายามจะจับคําพูดแล้วก็บอกว่าเพื่อนเขาก็อ้างครูบาอาจารย์ก็ว่าอย่างนี้เขาก็อ้างเดี๋ยวจะอ้างครูบาอาจารย์ของเขาเหมือนกันที่ชื่อว่าพราะครูบัญชาว่าอย่างนี้นะพ่อครูไม่ติดบ่วงไม่ติดกับดักเนาถ้าเราตอบว่าใช่พวกชงนั้นออโตเมติกมันไปเองของมันเนี่ยต้องเอาคํานี้ไปพูดกันอีกเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือถ้าเราเข้าไปในจิตในจิตได้แล้วทีนี้จิตเขาดำเนินเองตามธรรมชาติของเขาอะนะนั่นแหละเราเรียกว่าเรามีสติสัมโพชงอย่างเราเต้นเราหมุนแรงๆเนี่ยหมุนเร็วๆ เ, เนี่ยถ้าไม่มีสติเราก็ล้มแล้วเราก็ไปชนคนนั้นคนนี้อันนี้เรียกว่าสติสัมโพชงจิตเขาก็ดําดำเนินโพชงอยู่นะทุกอย่างดำเนินไปตามธรรมชาติของจิตถ้าเข้าไปในจิตในจิตไม่ได้เนี่ยเราเรียกโพชงไม่ได้ จะเรียกว่าข้างนอกนี่ออโตเมติกหลายอย่างนะออโตเมติกอย่างนี้นะโดยที่ว่าอุปติข้างนอกนี่ยังไม่ใช่โพ่อชงนะแบบว่าองค์อโตเมติกตามความเคยชินเราตรงนี้ไม่ใช่คําว่าโพ่อชงนี่ต้องเป็นเรื่องของจิตในจิตนะเป็นเรื่องของอารมณ์รวนๆนะทีนี้คําถามเขาโยงกันอยู่นะเพื่อเขาต้องหาคําตอบทีุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นนักถกปัญหา นะเป็นนักถกปัญหานักหาคําตอบโดยเหตุผลแบบตักกะอันนี้เราก็พูดไปตามที่ว่าตําราเขาบอกนั่นแหละถ้าขั้นต่ําสุดคือโสดาปฏิมรักแล้วกออ็อีกเจ็ดชาติอันนี้เขาก็ว่ากันในตามตามพิษฎีตามวิชาการทีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเราบอกเราเข้าไปในจิตแล้วเราโสดาปฏิมรักเขาบอกว่าไม่ใช่ครูบาอาจารย์เขาบอกก็ไม่ใช่ไงก็เถียงกันอีกเนาะ แล้วเจดชาติจริงหรือเปล่าอะไรมันเป็นเรื่องของอนาค ต, แ, ตแม้กระทั่งเราบอกว่าเราตายแล้วเกิดตายแล้วดับพระเจ้าบอกมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่มีสูตรตายตัวว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วดับบางคนเกิดบางคนดับมันไม่มีสูตรตายตัวนะมันเป็นไ ป, น ป, น ป, นปนตามเหตุและปัจจัยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่าไหนเป็นท่าหลักที่เราใช้ในการต่อยอดหรือเป็นท่าที่เราติดแล้วทําให้เราแป๊ หรือท่าหลักกับท่าแป๊คคือท่าเดียวกันอะไรก็ไม่รู้คนนี้ไม่ใช่เจริญมักนะคนนี้มักมากจริงๆตั้งท่าแป๊คท่าหลักท่าใดปฏิบัติไปเถอะไม่ต้องเรื่องมากได้ไหมไม่ต้องไปตั้งชื่อมันไหมท่าไหนท่าไหนเนาะสำคัญว่าเราพยายามจะมีสติว่าเราไม่ไปติดมันอ่ะเห็นไหม พวกเราชอดไปถ่ายทักกันบางคนบอกฉันเสียเวลามาตั้งสามปนะีกับการลำอยู่ตรงนั้นแหละเลยไปบอกคนอื่นอย่าเสียเวลาอย่าเสียเวลาเวี่ยงมันทิ้งเพราะูบอกเบียงทิ้งเนี่ยนะคำว่าเวียงทิ้งไม่ใช่เวียงท่า น, นั้นทิ้งเวี่ยงความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะไปหลงมันทิ้งแต่ถ้าเราไม่หลงมันมันดําเดินของมันเนี่ยอย่างนี้เราจะเลิญพุทธโธเนี่ยครูบาอาจารย์ยุคร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยสายวัดป่าเราเนี่ยท่าน ตามลมหายใจเฉยๆท่านก็ติดติเป็นแป๊กสินึกเงี้ยนะเราทํำท่าเก่าๆนั้นแต่เราไม่ไปติดได้ไหมก็ได้ตํารวจไม่จับซะหน่อยนึงเห็นไหมล่ะแต่คนที่ติดจะเปลี่ยนท่าใหม่ๆนั่นแหะคุณติดคุณติดจากเปลี่ยนท่าใหม่ล่ะนั่นแห ะ, ะติดเอาเป็นว่าท่าเก่าท่าใหม่อย่าไปติดมันเนี่ยก็โอเคใช่ไหมทําจนมันชํานาญสำกำเวลานั้นเราไม่ได้คิดเราไม่ปรุงแต่ง เราเราไม่ได้ไปตีหัวไกรเราไม่ได้ไปทําชั่วที่ไหนแล้วเราไม่ไปหลงมันนั่นแหละมันไม่เกี่ยวกับท่าไหนเนาะทไปเถอะไม่ต้องไปตั้งชื่อมันนะอันนี้ท่าแป๊กอันนี้ท่าไม่ติดนี่ท่าอะไรก็ไม่รู้เนาะเมื่อแลกเปลี่ยนกับผู้รู้ปริยัติว่าแล้วเห็นไหมละ่ะเราอธิบายว่าวิธีดำเนินที่เราทําอยู่นี้เป็นมักคจิศเขาท้วงติงว่าไม่น่าใช่ เพราะเท่าที่ครูบาอาจารย์บอกเขาในสังสารวัตรของดวงจิตดวงหนึ่งหนึ่งจะเกิดมรรคเพียงสี่ครั้งคือเมื่อจิตจะเลื่อนขั้นจากปุถุชนไปถึงโสดาบันไปถึงสกิทาคามีไปถึงอนาคามีอรหั น, นโสดาสกิทานคือสีขั้นไง มันจะเรียกว่าเป็นมักคจิตอยากให้พ่อครูอธิบายให้ด้วยค่ะจะได้ไปแลกเปลี่ยนให้เข้าใจจ้างก็ไม่มีวันเข้าใจ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรถามมาก็ตอบไปนะอันนี้ก็เห็นไหมเขาทุกคนก็อ้างครูบาอาจารย์รงนั้น่ะครูบาอาจารย์ก็อ้างตำราอยู่ตรงนั้นอ่ะมันไม่จบหรอกอ้างตามทิฏฐิมนาของเราทำไมไม่ลองมาปฏิบัติ ด, ดูเห็นไมพอเราพูดภาษาปุ๊บเนี่ยเนี่ย เขาบอกว่าการเกิดมรรคขจิตเนี่ยเกิดแค่สี่ครั้งอันนี้คุณเข้าจเจริญมรรคอยู่เป็นปีๆเลยเนี่ยนะมันไม่ใช่มรรคขจิตอย่างเขาเนี่ยนะเขาเข้าใจค่อนข้างคาดเคลื่อนนะคือมันมีคําว่ามรรคสี่ผลสี่นิพานหนึ่งนะมรรคสี่คืออะไรนะไม่ใช่เจเริญเจริญมรรคแค่สี่ครั้ง ครั้งแรกก็โสดาบันพอจเจริญ ม, มากครั้งที่สองก็สกิทาคามีก็เนี่ยคือคื อ, คอจากปุตุิชนคือโสดาบันสกีทาคารีนาคาคารหันเนี่ยคือผลคือผลของมรคนะมันคือผลของมรคมันไม่ใช่มรคส่วนมรคนี่เป็นช่วงที่กําลับบางเดินทางเพราะครูอธิบายเรื่องนี้หลายครั้งแล้วว่ายกตัวอย่างนะมันไม่ใช่จริงๆนะนี่ยกตัวอย่างที่เราชัดเจนว่า เราเป็นนักการศึกษาเราเป็นนิสิตปริญญาตรีนะเราสอบเข้าปริญญาตรีได้แล้วนะวันนั้นลูกสิทธาจา์อ้อยมาเพิ่งสอบเข้าปริญญาตรีเขาเป็นเด็กน่ารักนะเด็กคนนี้มุ่งมั่นพอครูก็ถามลูกเรียนไปทำไมเขาก็นั่งคิดว่าเพื่อเอาตัวรอดพระครูงั้นลูกไปเรียนกับท่าสารไปเรินกับลิงพิชาลิงเอาตัวรอดนะ มันก็อาตัวรอดแล้วไงมันหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วมันเต้นแรงเต้นกาได้มันดิ้งโลดเห็น ไ, ไหมถ้าเรียนแค่เอาตัวรอดเฉยๆนี่ทาไมต้องไปทุกข์ยากลําบากเสียค่าเทอมอะไรไปท่องอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเอาแค่ตัวรอด <c oughs> นั่นไปเรียนกัลิงนะดิงก็เอาตัวรอดะมนุษย์เราผู้ประเสริฐไม่ใช่เรียนแค่เอาตัวรอดถ้าเราจะเรียนรู้อะไรเรามีเรียนจนให้เรามีส่วนเกินเพื่อไม่ใช่เอาตัวรอดนะมีส่วนเกินเพื่อเป็นผู้ให้ นั่นแหละทีงเรียกว่าเป็นมนุษย์ถ้าแค่เอาตัวรอดไปเป็นลิงดีกว่าไปเป็นทาสานดีกว่าก็สบายดีแล้วเด็กเขาเป็นคนฝ่ายดีเขาก็ถูกสอนว่าต้องเรียนนะเพื่อจะเอาตัวรอดเมื่อกี้ทาไมพ่อครูรับไปถึงเด็กคนนี้ก็ไม่รู้นะกำลังพูดถึงเรื่องนี้ดีๆเมื่อกี้พูดถึงไหนล่ะเอ อ, เอคืออย่างงี้ <laughs> เหมือนเด็กคนนี้แกกําลังเรียนแกเพิ the the so ่งเข้ามหาลัยได้แกกําล ah, ังเรียนปริญาตีเนี่ยช่วงที่กําลังเรียนปริญาตีเนี่ยเรียกว่าเขาเจริญมรรคขั้นโสดาปฏิมร์เขากําลังเรียนอยู่ช่วงที่เขากําลังเดินทางเนี่เรียกว่ากําลังอยู่ในขั้นโสดาปฏิมร์เมื่อเขาจบปริญาตรีแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับปริญญาบัตรเกิดผลแล้วเนี่ยเขาก็เป็นนักศึกษาจบปริญาตรีนี่คือโสดาปฏิผล นะอันนี้โสดาปฏิมัคโสดาผลนี่คู่แรกเขาไม่พอใจเขาเรียนเก่งเขาก็เรียนปริญาโทต่อเห็นไหมช่วงที่เรียนปริญาโทเนี่เรียกว่าสกิทาคามีมัคนะช่วงที่กําลังเดินทางพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยก้าวไปสู่พระสกิทาคามีนะเมื่อกขาจบปริญาโทแล้วเขากระลายเป็นพระสกิทาคามีคือผลนะนะเขาเป็นนักศึกษาปริญาโทแล้วเขาไม่พอใจ เขาอยากเป็นด็อกเตอร์เขาก็ไปเรียนปริญญาเอกช่วงที่เขาเรียนอยู่เนี่ยเรียกว่าอนาคามีบัรเป็นการทางเดินของพระอนาคามีเห็นหเขาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกเป็นแค่นักศึกษาเมื่อเขาจบแล้วเนี่ยเขาก็ได้ปริญญาบัตรปริญญาเอกเขาเป็นด็อกเตอร์นี้เรียกว่าเขาเป็นพระอนาคารมีผลนะอันนี้คือผล ส่วนมรคเนี่ยเป็นการเดินทางทีนี้พอเขาจบปริญญาเอกแล้วเขาเป็นด็อกเตอร์แล้วเขาไม่พอใจเขาอยากเป็นศาสตราจารย์เขาก็ไปศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อช่วงเขาศึกษาค้นคว้าวิจัยเนี่ยเขาเรียกว่าอาลหัตมักทางเดินของพระอาลาหันนะอันนี้คือมรคนะเมื่อเขาสอบได้ประเมินได้เขาเป็นศาสตราจารย์แล้วเนี่ยคืออลาหัตผลนะนี่คือ มักสี่ผลสี่เขาเอาคํานี้เขว่ามักมีแค่สี่ครั้งจริงๆแล้วเนี่ยบางทีตู้มเดียวดวงตาเห็นธรรมกลายเป็นอรหัตผลไม่ใช่วิชาการเขาก็แยกว่ามันเป็นขั้นเป็นตอนแต่มันไม่ใช่สูตรสำเร็จว่าทุกคนต้องไปเดินทีนี้จเจริญมักแค่สี่ครั้งจะได้อย่างนั้นนะคุณจะต้องจเจริญมักตลอดชีวิตหลายชีวิตด้วยอันนี้ก็ไปติดบ่วงเรื่องวิชาความรู้นะ ไอเรื่องมรรคสีผลสีใครๆก็รู้สี่คู่แปดบุรุษเป็นสมควรแก่ศักดา์ละและบูชาคือขั้นต่ำสุดคือโสดาปฏิมาค์อันนี้เรียกว่าพระอริยะบุคคลขั้นต้นไม่มีนรกอีกแล้วนะแล้วก็พิสูจน์อาจารย์พระเจดกก็อ่านให้มันหมดนะเนรบดิตเจ็ดขวบบวชแค่แปดวันตู้เดียวเป็นอรหันแล้ว ทำไมไม่เจริญมรรคสี่ครั้งมันไม่เกี่ยวแต่เขาแยกระดับชั้นให้เราดูแต่เรารู้ได้ยังไงว่าจิตเดิมเรามั น, มนเรียนปริญาโทแล้วมันกบตุ้มเดียวมันก็เอกแกไหมเห็นไห ม, หไหมบางคนไม่เคยเจริญมรรคไม่รู้ศาสนาด้วยได้ฟังธรรมผู้เจ้าคำเดียวเนี่ยันรู้อรหันต์แล้วใช่ไหมล่ะ ถ้าเราไปเอาหลักวิชาการเป็นหลักตายตัวมาพูดกันมันก็เถียงกันแล้วก็ไม่มีวันจบสิ้นนะก็ตอบอย่างนี้นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ให้ข้อคิดว่าไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนได้ไหมเนาะก็ศัพท์แต่ว่ารู้ศัพท์แต่ว่าได้ยินแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆมันเป็นปัจจัดตังรู้ได้เฉพาะตนก็วันนีเ้เอาแค่นี้ก่อนนะ